บทที่16 6หกปีสารร้ายแห่งความกลัวมีอยู่กี่ตัวที่ขวางทางคุณอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถนำปรัชญานี้ไปใช้เพื่อความสําเร็จต้องเตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมที่จะรับมันซะก่อนซึ่งการเตรียมก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับศัตรูสามประการอย่างท่องแท้คือความไม่กล้าตัดสินใจความลังเลสงสยัย และความกลัวสัมผัสที่หจะไม่ทำงานในขณะที่ศัตรูทั้งสามหรือตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในจิตใจคุณศัตรูทั้งสามนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อเจอศัตรูตัวหนึ่งก็มักจะมีอีกสองตัวอยู่ใกล้ๆเสมอจงจำไว้ว่าความไม่กล้าตัดสินใจเป็นตัวบ่มเพาะความกลัวความไม่กล้าตัดสินใจจะตกผลึกเป็นความลังเลสงสยัย สองสิ่งนี้จะรวมตัวกันกลายเป็นความกลัวขั้นตอนในการรวมตัวกันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมศัตรูพวกนี้จึงอันตรายมากพวกมันก่อตัวแล ะ, จะเจริญเติบโตโดยเราไม่ทันสังเกตเห็นส่วนที่เหลือของบทนี้จะเป็นการบรรยายสภาวะจิตใจที่คุณต้องมีก่อนที่จะนำปรัชญามาใชในการปฏิบัติในบทนี้จะได้วิเคราะห์เงื่อนไข ที่นําผู้คนมากมายไปสู่ความยากจนและมันจะเผยข้อเท็จจริงซึ่งคนที่ร่ำรวยต้องเข้าใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเงินทองหรือสภาวะจิตใจซึ่งอาจมีคุณค่าเหนือกว่าเงินทองก็ตามจุดมุ่งหมายของบทนี้เน้นความสนใจไปที่สาเหตุและการแก้ไขความกลัวพื้นฐานหกประการก่อนที่คุณจะจัดการกับศัตรูเราต้องรู้จักชื่นิสัยของมันและจุดที่เราจะโจมตีมันซะก่อน ขณะที่คุณอ่านหนังสือจงวิเคราะห์ตัวเองอย่างระมัดระวังและพิจารณาตัวคุณเองว่ามีความกลัวทั้งหกซ่อนอยู่ด้วยหรือไม่และจำไว้ว่าบางทีพวกมันอาจซ่อนตัวอยู่ในจิตใต้สานึกก็ได้ซึ่งเป็นการยากที่จะค้นพบและยากยิ่งกว่าในการกำจัดมันความกลัวพื้นฐานหกประการมีความกลัวพื้นฐาน6ประการที่ทาให้คนเราทุกคนต้องเป็นทุกข์ คนที่โชคดีมักไม่ต้องเผชิญกับความกลัวทั้งหกนี้รายชื่อเรียงตามลำดับที่พบบ่อยคือกลัวความยากจนกลัวการถูกตำหนิติเตียนกลัวความเจ็บป่วยกลัวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักกลัวความแก่ชรากลัวความตายความกลัวที่นอกเหนือจากนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญนักและเป็นเพียงข้อปลีกย่อยของความกลัวเหล่านี้ ความกลัวเป็นสภาวะจิตใจอย่างหนึ่งและสภาวะจิตใจก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมและชี้นำมันได้คุณจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มสร้างรูปแบบแห่งพลังความคิดขึ้นมาก่อนข้อความต่อไปนี้มีความสำคัญมากเมื่อพลังความคิดเริ่มแปลเปลี่ยนตัวเองไปเป็นรูปธรรมไม่ว่าความคิดนั้นจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม หรือแม้ว่าจะเป็นพลังความคิดที่เข้ามาโดยบังเอิญความคิดที่ออกมาจากจิตใจของผู้อื่นอาจเป็นตัวกำหนดการเงินธุรกิจอาชีพหรือโอกาสทางสังคมของคุณได้เช่นเดียวกับความคิดที่คุณตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเองด้วยเหตุผลนี้มันได้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนบางคนจึงดูเหมือนโชคดีในขณะที่คนอื่นซึ่งมีความสามารถมีการฝึกอบรมมีประสบการณ์ และศักยภาพสมองเท่าเทียมกันหรือมากกว่าด้วยซ้าแต่กลับดูเหมือนอับโชคคำอธิบายก็คือคุณมีความสามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้โดยการควบคุมนี้คุณอาจจะเปิดใจเพื่อรับพลังความคิดที่ออกมาจากสมองคนอื่นหรือคุณสามารถปิดประตูใจและเลือกรับเฉพาะพลังความคิดที่คุณต้องการเท่านั้นธรรมชาติได้ให้อานาจมนุษย์ในการควบคุมทุกสิ่ง แต่ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือความคิดข้อเท็จจริงนี้ควบคู่ไปกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นล้วนแล้วแต่ตั้งต้นมาจากความคิดก่อนซึ่งนำเราไปสู่หลักการที่ว่าเราอาจจะสามารถจัดการกับความกลัวได้ถ้าเป็นความจริงว่าทุกความคิดมีแนวโน้มที่จะปรับแต่งตัวมันเองไปเป็นรูปธรรมและนี้เป็นความจริงซึ่งเหนือเหตุผลไดได จึงเป็นความจริงเช่นกันว่าพลังความคิดแห่งความกลัวและความยากจนจะไม่สามารถแปลเปลี่ยนไปสู่ความกล้าหาญและผลประโยชน์ทางการเงินได้เลยความกลัวพื้นฐานแรกกลัวความยากจนไม่มีการประนีประนอมกันระหว่างความยากจนและความร่ำรวยถนนสองสายที่นำไปสู่ความยากจนและความร่ำรวยไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน คำว่าร่ำรวยมีความหมายกว้างครอบคลุมไปถึงความร่ำรวยทางการเงินจิตวิญญาณจิตใจและวัตถุสิ่งของด้วยจุดเริ่มต้นที่นำทางเราไปสู่ความร่ำรวยก็คือปณิธานในบทที่สามคุณได้รับคำชี้แนะในการเตรียมจิตใจเพื่อนำปณิธานไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วบทนี้จะท้าทายให้คุณสำรวจตัวเองว่า ได้ซึมซับปรัชญานี้ไปมากน้อยเพียงไรเป็นจุดที่คุณสามารถบอกว่าอนาคตข้างหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากอ่านบทนี้แล้วถ้าคุณตั้งใจที่จะยอมรับความยากจนเข้ามาในชีวิตจงตัดสินใจที่จะรับความยากจนและนี่จะเป็นการตัดสินใจที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการจะร่ำรวยจงกาหนดรูปแบบของความร่ารวยและจานวนที่คุณพอใจ คุณรู้จักเส้นทางที่จะนําไปสู่ความร่ำรวยและคุณก็มีแผนที่นําทางแล้วถ้าเดินไปตามทางนั้นคุณจะไม่หลงทางแต่ถ้าคุณไม่ยอมเริ่มต้นหรือหยุดก่อนที่จะไปถึงจะไม่มีใครต่อว่าคุณนอกจากตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเองจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นหากคุณล้มเหลวหรือเป็นคนปฏิเสธการมีชีวิตที่ร่ํารวยเองทั้งหมดนี้ คุณต้องการเพียงสิ่งเดียวซึ่งบังเอิญมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้สิ่งนั้นคือสภาวะจิตใจนั่นเองสภาวะจิตใจเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองไม่สามารถซื้อหามาได้คุณต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองความกลัวที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดความกลัวความยากจนเป็นสภาวะหนึ่งของจิตใจไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่มันก็เพียงพอ ที่จะทำลายโอกาสแห่งความสำเร็จของคุณได้ความกลัวจะทำให้ความสามารถในการใช้เหตุผลของคุณอ่อนแอลงทำลายจินตนาการสร้างสารรค์ไม่เชื่อมั่นในตัวเองบันทอนความกระตือรือร้อนความกล้าหาญและความคิดริเริ่มที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้กระตุ้นให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้บุคลิ ก, กภาพของเราไม่ดี ทำลายความคิดที่ถูกต้องดีงามเบี่ยงเบนความภาคเพียรพยายามทำลายความมุ่งมั่นสลายพลังความตั้งใจทำลายความทเยอทยานทำให้ความจำไม่ดีนำพาความล้มเหลวทุกรูปแบบมาสู่เรามันทำลายความรักและอารมณ์สุนทรีในจิตใจทำให้เสียมิตรภาพและชักนำความหายนะมาให้ทำให้เรานอนไม่หลับทุกทรมานและไม่มีความสุข ทั้งๆ ท, ที่คุณอาศัยอยู่ในโลกที่มีสิ่งต่างๆมากมายให้ไขว้คว้าแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนคุณจะไม่มีวันได้สิ่งที่ปรารถนาเลยจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความกลัวความยากจนเป็นสิ่งที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดในความกลัวพื้นฐานทั้งหมันถูกจัดไว้ในอันดับต้นๆเนืน่องจากมันจัดการได้ยากที่สุดความกลัวความยากจนเกิดขึ้นตามสายเลือดที่สืบทอดกันมาของมนุษยชาติ ที่จะตามล่าเงินทองสัตว์ทุกชนิดที่ต่ำกว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นโดยสัญชาตญาณแต่ความสามารถในการคิดของมันจำกัดดังนั้นมันจึงต้องล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเท่านั้นแต่มนุษย์เรามีการอย่างรู้ที่เหนือกว่าจากศักยภาพในการคิดและหาเหตุผลทำให้เราไม่กินเนื้อพวกเดียวกันแต่มนุษยชาติชอบที่จะกินเงินทองของผู้อื่นมากกว่ามนุษย์เห็นแก่ได้มาก จนต้องออกกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าของเราจากคนอื่นไม่มีสิ่งใดนำความทุกข์ยากและทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยได้เท่ากับความยากจนมีเพียงคนที่มีประสบการณ์ยากจนมาแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงไม่น่าประหลาดใจที่เรากลัวความยากจนโดยประสบการณ์จากสายเลือดที่สืบต่อกันมาทาให้เรียนรู้ว่า เราไม่สามารถเชื่อถือคนบางคนในเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้เลยดังนั้นเราจึงกระตือรือร้นที่จะสร้างสมความมั่งคั่งโดวยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้ได้มันมาโดวยวิธีที่ถูกกฎหมายถ้าเป็นไปได้โดวยวิธีอื่นถ้าจําเป็นหรือด้วยวิธีลัดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วการวิเคราะห์ตัวเองอาจเปิดเผยจุดอ่อนที่คุณไม่อยากรับรู้แต่การตรวจประเมินนี้มีความสาคัญ ถ้าคุณต้องการมีชีวิตดีกว่าคนธรรมดาสามัญจงจำไว้ว่าขณะที่คุณตรวจสอบตัวเองทีละจุดนั้นคุณเป็นทั้งสารและลูกขุนเป็นทั้งอายการและทนายที่คอยแก้ต่างเป็นทั้งโจทย์และจำเลยจงเผชิญหน้ากับความจริงอย่างยุติธรรมตั้งคำถามให้ตัวเองและจงตอบอย่างตรงไปตรงมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้น ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สามารถตัดสินตัวเองอย่างเป็นกลางได้จงหาใครสักคนที่รู้จักตัวคุณดีมาช่วยตัดสินคุณกำลังตามหาความจริงในขณะที่ตรวจสอบตัวเองจงยอมรับมันไม่ว่าจะต้องลงทุนเท่าไหร่ก็ตามและแม้ว่ามันอาจจะทําให้คุณต้องลำบากใจเมื่อถามคนส่วนใหญ่ว่าเขากลัวอะไรมากที่สุดมักได้คาตอบว่าฉันไม่กลัวอะไรเลย นั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเนื่องจากน้อยคนนักที่จะตระหนักว่าตัวเองได้ถูกความกลัวยึดโยงและพันธนาการจิตวิญญาณและร่างกายเอาไว้แล้วมันแนบเนียนและฝังรากลึกในอารมณ์จนคุณอาจไม่เคยตระหนักถึงมันเลยตราบชั่วชีวิตการวิเคราะห์อย่างกล้าหาญเท่านั้นที่จะเปิดเผยศัตรูตัวนี้ได้เมื่อคุณเริ่มวิเคราะห์ จงค้นหาให้ลึกลงไปในบุคลิกภาพของคุณต่อไปนี้คืออาการแสดงที่ต้องมองหาอาการแสดงของความกลัวยากจน 1. ความไม่ใส่ใจโดยทั่วไปแล้วจะแสดงออกให้เห็นจากความไม่ทะเยอทะยานเต็มใจจะอดทนต่อความยากจนยอมรับชะตาชีวิตโดยไม่คัดค้านเกียดคร้านทั้งกายและใจขาดความคิดริเริ่มจินตนาการ ความกระตือรือร้อนและการควบคุมตัวเอง 2. ไม่กล้าตัดสินใจนิสัยยอมให้คนอื่นคิดแทนบรีรอหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 3. ความลังเลสงสัยมักมีข้อแก้ตัวข้ออ้างมาปกปิดและอธิบายหรือขอโทษในความล้มเหลวบางครั้งอาจแสดงออกในรูปแบบของการอิจฉาริษยา และวิาพาวิจารคนที่ประสบความสำเร็จ 4. วิตกกังวลโดยทั่วไปแล้วแสดงออกโดยการจับผิดผู้อื่นมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเกินตัวเพิกเฉยต่อภาพลักษณ์ของตัวเองทำหน้าบึ้งตึงหน้านิ้วคิ้วขมวดขี้กังวลขาดความสุขุมเยือกเย็นหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของตัวเองมักดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด 5. รอบครอบมากเกินไปนิสัยที่มองหาแต่งแง่ลบของสิ่งต่างๆรอบตัวมักคิดและพูดถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นแทนที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งๆที่รู้ว่าหนทางนั้นจะนำไปสู่ภยัยพิบัติแต่ก็ไม่เคยคิดหาแผนการที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมักรอคอยเวลาอันเหมาะสมที่จะเริ่มต้นจนกระทั่งติดนิสัยการรอเอาไว้ก่อน จดจำแต่คนที่ล้มเหลวไม่ค่อยนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จมองเห็นแต่รูกลวงของโดนัทแต่มองข้ามเนื้อโดนัทที่อยู่ ร, บรอบๆ 6. ผัดวันประกันพรุ่งนิสัยผัดเอาไว้ทำวันพรุ่งนี้ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วใช้เวลาไปกับการคิดหาคำขออภัยมากกว่าเอาเวลาไปทำงาน อาการนี้ใกล้เคียงมากกับรอบครอบมากเกินไปลังเลสงสยัยและวิตกกังวลมักปฏิเสธความรับผิดชอบเต็มใจที่จะประนีประนอมมากกว่าลงไปต่อสู้ฝ่าฟันเมื่อเจอความยากลำบากจะยอมรับสภาพแทนที่จะพยายามจัดการและใช้มันเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ค่อยต่อรองอะไรกับชะตาชีวิตแทนที่จะสแสวงหาทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งร่ารวยความพอใจ และความสุขทานล้มเหลวกลับวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไปแทนที่จะเผาสะพานที่ข่ามาทิ้งแล้วปิดทางถอยของตัวเองอ่อนแอและมักจะขาดความมั่นใจในตัวเองไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนไร้ซึ่งการควบคุมตัวเองความคิดริเริ่มความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานความมัธยัสถ์ความสามารถที่จะใช้เหตุผล คาดหวังแต่ความยากจนแทนที่จะสแสวงหาความร่ารวยคบหาสมาคมกับคนที่ยอมรับสภาพความยากจนแทนที่จะเป็นคนที่สแสวงหาความร่ารวยเงินพูดได้บางคนอาจถามว่าทำไมคุณจึงมาเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทำไมจึงวัดความร่ารวยด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียวมีบางคนเชื่อว่ามีความร่ารวยรูปแบบอื่นที่น่าปรารถนามากกว่าเงินทอง ถูกต้องแล้วมีความร่ำรวยอื่นที่ไม่สามารถวัดเป็นเงินได้แต่ก็มีผู้คนนับล้านที่อาจจะพูดว่าให้เงินทั้งหมดที่ฉันต้องการมาก่อนสิแล้วฉันก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการเหตุผลหลักที่ทำไมผมจึงเขียนหนังสือวิธีการทำเงินก็คือผู้คนชายหญิงนับล้านล้วนอ่อนเปลี่ยวด้วยความกลัวจนวส s ล Blue p e d r ได้อธิบายความกลัวนี้ได้เป็นอย่างดี บทวิจารณ์เจมส์บลูคเพเเลอร์เป็นคอลัมนิสของหนังสือพิมพ์ชิคาโกไดรี่นิวส์และวอชิงตันโพสต์ถึงแม้ว่าเขาจะประกอบวิชาชีพของเขาจนถึงปีคิตศกรา .1960 แต่ผลงานการเขียนของเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดระหว่างปีคิต ศ, ศ .1930 ถึง1940ระหว่างช่วงนั้น เขาเริ่มจากการเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์จนได้เป็นผู้นำแนวคิดทางการเมืองเพดเลอร์ยังเป็นนักเขียนและในปีคิศกรา1940ยังชนะเลิศรางวัลภูลิเซอร์อีกด้วยจบบทวิจารณ์แม้ว่าเงินเป็นเพียงเศษโลหะหรือเศษกระดาษแต่มันอาจเป็นสิ่งสูงค่าในหัวใจและจิตวิญญาณ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อมาได้ด้วยเงินทองสาหรับคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวจะไม่สามารถเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ในใจและในจิตวิญญาณได้เมื่อชายคนหนึ่งตกต่ำถูกไล่ออกจากงานและเดินไปตามถนนเขาหางานทำไม่ได้เลยมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเขาซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้จากไหลที่ตกท่าเดินและแววตาของเขา เมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขามีงานทำกันเขาก็ไม่สามารถหนีความรู้สึกต่ำต้อยไปได้แม้เขาจะรู้ว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถมากไปกว่าเขาเท่าไรนักตรงกันข้ามกับผู้คนที่มีงานทำหรือแม้แต่เพื่อนของเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและบางทีอาจรู้สึกสมเพศโดยไม่รู้ตัวเขาอาจจะเริ่มหยิบยืมเงินคนอื่นมา แต่ก็ยังไม่พอที่จะใช้ชีวิตเหมือนที่เคยและเขาก็ไม่สามารถกู้ยืมได้นานนักเมื่อคนเราต้องกู้ยืมเพียงพอให้ประทังชีวิตนั้นช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าใจนอกจากนี้เงินที่ไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองยังไม่สามารถช่วยจันลงจิตใจได้แน่นอนว่าเราไม่ได้หมายถึงคนเกียดคร้านหรือคนขี้เมาแต่หมายถึงเฉพาะคนที่มีความทะเยอทะยานและนับถือตัวเอง ผู้หญิงนั้นแตกต่างออกไปมักไม่เผชิญภาวะลำบากใจเช่นนี้เราไม่ค่อยคิดถึงภาพผู้หญิงเข้าแถวคอยรับแจกอาหารขอทานอยู่ริมถนนหรืออยู่ในสภาพซอมซอท่ามกลางฝูงชนและแน่นอนผมไม่ได้หมายถึงหญิงชราเดินขากระเพลกแต่หมายถึงหญิงสาวที่ดูเฉลียวฉลาดต้องมีผู้หญิงเช่นนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่เธอมักไม่แสดงความท้อแท้สิ้นหวังให้เราเห็น เมื่อผู้ชายตกงานเขามีเวลาที่จะคิดคำหนึง่งอาจเดินทางไปหลายกิโลเมตรเพื่อหางานทำแต่พบว่าตำแหน่งงานเต็มหรือมีงานแต่ไม่ได้ค่าจ้างหรือได้แต่ค่าในหน้าจากการขายของที่ไม่มีประโยชน์และไม่มีใครซื้อเว้นแต่สมเพศเมื่อเขาหันมาพบว่าตัวเองกำลังเดินเตะฝุ่นบนถนนไม่มีที่ไปดังนั้นเขาจึงเดินไปเรื่อย สายตาจับจ้องไปที่หน้าต่างห้างสรรพสินค้าซึ่งมีสินค้าหรูหราราคาแพงที่ไม่ใช่สำหรับคนอย่างเขาด้วยความคิดที่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเขาหลีกทางให้คนอื่นที่หยุดดูด้วยความสนใจเขาตระเวนไปถึงสถานีรถไฟพาตัวเองเข้าไปในห้องสมุดเพื่อพักขาและหลบร้อนแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวกับการหางานทำดังนั้นเขาจึงต้องเดินต่อไปอีกเขาอาจไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่า ความไร้จุดหมายรู้เพียงแต่ว่ามันผลักใส่เขาออกไปทั้งๆที่ไม่มีทางออกเขาอาจจะยังแต่งตัวดีอยู่เพราะเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากวันที่เขายังมีงานทำแต่เสื้อผ้าก็มีอาจปิดบังความท้อแท้หมดกำลังใจของเขาได้เขามองเห็นผู้คนนับพันนักบัญชีเสมียนคนขายยาหรือคนขับรถต่างก็กำลังยุ่งกับงานของตัวเอง ทำให้ความอิจฉาผุดขึ้นมาจากก้นบึ้งของจิตใจพวกเขาล้วนมีอิสรภาพความนับถือตัวเองและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเขาไม่สามารถชักจูงให้ตัวเองเชื่อว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันทั้งๆ ท, ที่พยายามเถียงตัวเองและแตัดสินใจว่าตัวเองเป็นคนดีมีคุณค่าอยู่นานชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ามันเป็นเพียงเพราะเงินที่ทาให้เขาแตกต่างจากคนอื่น แม้มีเงินเพียงน้อยนิดเขาก็จะได้ตัวตนกลับคืนมาความกลัวพื้นฐานที่สองกลัวถูกตำหนิติเตียนไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่าความกลัวนี้ติดตัวเรามาได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งก็คือมันพัฒนาได้รวดเร็วมากผมคิดว่าความกลัวถูกตำหนิติเตียนนี้อยู่ในสายเลือดของเราเพื่อกระตุ้นเตือนเราไม่ให้เราเอาของมีค่าของคนอื่นไป และยังใช้การตําหนิติเตียนพฤติกรรมคนอื่นเพื่อเป็นการแสดงออกในการปกป้องตัวเองเป็นที่รู้กันดีว่าแม้แต่ขโมยก็จะตําหนิติเตียนคนที่เขาขโมยนักการเมืองที่สแสวงหาตําแหน่งไม่เพียงแต่จะกล่าวอ้างคุณงามความดีแต่ยังพยายามใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งของเขาด้วยนักออกแบบเสื้อผ้าและโรงงานผลิตเสื้อผ้าไม่รีรอที่จะฉวยโอกาส จากความกลัวถูกตำหนิติเตียนของผู้อื่นเนื่องจากทุกๆฤดูกาลรูปแบบเสื้อผ้าจะเปลี่ยนไปแล้วใครเป็นคนกำหนดรูปแบบเสื้อผ้าแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้ซื้อแต่เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าและโรงงานอุตสาหกรรมทำไมเขาต้องเปลี่ยนสไตล์เสื้อผ้าบ่อยๆคำตอบชัดเจนอยู่แล้วเขาเปลี่ยนสไตล์เพื่อที่จะขายได้มากขึ้น ความกลัวจะถูกตำหนิติเตียนแย้งชิงความคิดริเริ่มไปจากคนเราทำลายพลังแห่งจินตนาการจำกัดบุ ค, คลิกเฉพาะตัวทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียไปทำให้เกิดความเสียหายมากมายหลายรูปแบบพ่อแม่มักทำร้ายจิตใจลูกจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตำหนิติเตียนลูก แม่ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของผมมักทำโทษโดยการเคี่ยนตีลูกเกือบทุกวันมักพูดซ้ำๆหลังทำโทษเสร็จว่าแกต้องไปอยู่สถานดัดสันดานก่อนอายุยี่สิบปีแน่นอนปรากฏว่าลูกของเธอถูกส่งไปอยู่โรงเรียนดัดสันดานตอนอายุส7เจ็ดปีจริงๆบทวิจารณ์ จิตบำบัดยุคปัจจุบันรู้จักสภาวะที่ฮิวอธิบายไว้ในข้อความตอนนี้เป็นอย่างดีในบทที่การเสนอแนะตัวเองและการสะกดจิตได้อ้างอิงถึงความกระทบกระเทือนจิตใจในวัยเด็กที่อาจส่งผลให้เกิดโรคประสาทหวาดกลัวอย่างรุนแรงพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำยึดติดฝังใจหรือปมในจิตใจแต่อย่างไรก็ดี ยังมีกรณีของการเสนอแนะที่ยากจะเข้าใจในการรักษาด้วยการสะกดจิตจะพบว่ามีการใช้ข้อความเหล่านี้บ่อยๆเช่นคุณไม่เคยปฏิเสธผมไม่ใช่หรือผมเกรงว่าเธอจะไม่ยอมรับหรือคุณช่างเหมือนกับพ่อของคุณมากถ้าประโยคเหล่านี้ถูกพูดซ้ำๆบ่อยๆหรือเมื่อเด็กคนนั้นมีความเปราะบางก็สามารถทำให้ศักยภาพของเด็กคนนั้นหยุดชะงัก จบบทวิจารณ์การวิาพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งซึ่งคนเรามักมีกันทุกคนทุกคนมักมีเก็บไว้ในใจแล้วพร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับการร้องขอหรือไม่ก็ตามญาติสนิทที่สุดมักจะเป็นคนที่วิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดพราะแม่อาจกระทาผิดต่อลูกเป็นความผิดที่เลวร้ายที่สุดในธรรมชาติของมนุษยธรรม โดยการสร้างปมด้อยลงไปในจิตใจลูกโดยการตําหนิติเตียนโดยไม่มีความจําเป็นนายจ้างซึ่งเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีเลิศจากการไม่ตําหนิติเตียนแต่แนะนําในทางสร้างสารรค์แก่ลูกน้องพ่อแม่ควรปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้กับลูกของตนการตําหนิติเตียนจะปลูกฝังความกลัวหรือความไม่พอใจลงไปในจิตใจมนุษย์โดยไม่ได้สร้างความรัก และความพึงพอใจเลยแม้แต่น้อยอาการของความกลัวถูกตาหนิติเตียนความกลัวนี้เป็นสากลเช่นเดียวกับความกลัวจนและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของคนเราสาเหตุหลักคือความกลัวชนิดนี้จะทำลายความคิดบรเริ่มและบั่นทอนการใช้จินตนาการอาการหลักๆของความกลัวนี้คือหนึ่งความรู้สึกละอายตัวเองแสดงอาการวิตกกังวล ไม่กล้าพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชนท่าทางเคอะเขินไม่กล้าสบตา 2. ขาดความมั่นใจแสดงอาการด้วยน้ำเสียงที่ไม่หนักแน่นกังวลเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนบุ ค, คลิกท่าทางไม่ดีความจำไม่ดี 3. บุ ค, คลิ ก, กภาพที่อ่อนแอขาดการตัดสินใจที่แน่นอนไม่มีสเสน่ห์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นมีนิสัยชอบหลีกเลี่ยงแทนที่จะเผชิญหน้า เห็นคล้อยตามคนอื่นโดยปราศจากการตรวจสอบความคิดเห็นของผู้อื่นให้ดีเสียก่อน 4. รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยมีนิสัยยอมรับสภาพโดยพยายามปกปิดความรู้สึกต่ำต้อยของตัวเองชอบพูดชื่นชมผู้อื่นเพียงเพื่อสร้างความประทับใจโดยมักไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำนั้นเรียนแบบผู้อื่นทั้งการแต่งกายคำพูดและกิริยาท่าทาง อ, อวดความสำเร็จในจินตนาการแห่งความฝันของตัวเองและแสดงออกว่าเหนือกว่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย 5. ความฟุ่มเฟืย่ยติดนิสัยในการพยายามที่จะทำตัวเองให้ทัดเทียมผู้อื่นและใช้จ่ายเกินตัว 6. ปราศจากความคิดริเริ่มล้มเหลวที่จะฉกฉวยโอกาสเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น ขาดความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเหล็กเลี่ยงการตอบคำถามจากผู้ที่เหนือกว่ามีท่าทางและการพูดจาที่ลังเลหลงตัวเองทั้งการพูดและการกระทำ7ขาดความทะเยอทะยานเกลียดคร้านทางร่างกายและจิตใจไม่ยืนหยัดในความคิดของตัวเองตัดสินใจช้าถูกชักจูงได้ง่ายมีนิสัยยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่พยายามสู้ หรือล้มเลิกทันทีเมื่อมีคนคัดค้านนอกจากนี้ยังมีนิสัยชอบตาหนิติเตียนผู้อื่นรับหลังแต่ประจบประแจงต่อหน้าระแวงผู้อื่นโดยไม่มีสาเหตุไม่มีกาลเทศะทั้งกิริยามารยาทและคำพูดจาไม่เต็มใจรับคาตาหนิเมื่อทำผิดความกลัวพื้นฐานที่สามกลัวความเจ็บป่วย มนุษย์อาจถ่ายทอดความกลัวนี้ต่อๆกันมาทั้งร่างกายและสังคมโดยมีความสัมพันธ์กับสาเหตุแห่งความกลัวแก่และกลัวตายเรากลัวความเจ็บป่วยก็เพราะภาพอันน่ากลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราตายไปแล้วเรายังกลัวโรคภัยไข้เจ็บเพราะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้รักษาตัวแพทย์ผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้ประมาณการไว้ว่า 75อร์เซ็น์ของคนที่ไปพบแพทย์มีปัญหาวิตกกังวลไปเองว่าตัวเองเป็นโรควิตกกังวลว่าป่วยเป็นโรคข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงโรควิตกกังวลคืออาการหมกมุ่นว่าตัวเองป่วยเป็นโรคทั้งๆ ท, ที่ผลการตรวจวินิจฉยัยไม่พบโรคทางกายแต่อย่างใดจบข้อมูลจากผู้เรียบเรียง จินตนาการไปเองว่าตัวเองเจ็บป่วยแสดงอาการกลัวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ ท, ท, ทั้งๆที่แทบไม่มีเหตุปัจจัยเลยบ่อยครั้งจะมีอาการทางกายตามโรคที่กลัวว่าจะเป็นจิตใจคนเราเป็นสิ่งที่ ท, ทรงพลังอำนาจมันมีความสามารถในการสร้างและทำลายจากการทดลองทีมงานของผมพิสูจน์ได้ว่าพลังของการชี้แนะมีผลต่อคนที่อ่อนไหวเราได้ขอให้คนที่เรารู้จัก หรือหน้ามา้าสามคนแยกกันไปพบกับผู้ทดสอบแล้วถามคำถามเหมือนๆกันว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดูคุณไม่ค่อยสบายนะผู้ถามคนแรกทำให้ผู้ทดสอบยิ้มอย่างไม่ใส่ใจและตอบว่าไม่มีอะไรนี่ผมสบายดีผู้ถามคนที่สองได้รับคำตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะักเมื่อพบกับผู้ถามคนที่สามผู้ถูกทดสอบยอมรับ ว่าตัวเองป่วยจริงๆบทวิจารณ์การทดลองของฮิวเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เกิดกับตัวเองและไม่แตกต่างจากหลักแห่งพิธีการของศาสนานิกายหนึ่งที่ใช้วิธีการแก้แค้นศัตรูโดยการสาปแช่งด้วยเวทมนต์คาถาต่อเหยื่อมนต์คาถาจะมีผลต่อเมื่อเหยื่อมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถถูกกําหนดด้วยโชคชะตาและเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะตกอยู่ในอํานาจของเวทมนต์นั้น เหยื่อจะรับรู้ข้อมูลว่ามีบางคนใช้เวทมนต์กับเขาและเขาก็รับรู้ว่ามันเป็นไปได้ทฤษฎีนี้ก็คล้ายคลึงกับการที่ผู้ถูกทดสอบของฮิลถูกบอกถึงสามครั้งว่าเขาป่วยเขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้การถูกทักถึงสามครั้งได้น้มน้าวจิตใจของเขาให้ทำงานและเป็นไปตามนั้นจริงจบบทวิจารณ์ มีหลักฐานชัดเจนว่าบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บเริ่มต้นจากความคิดเชิงลบความคิดถูกปลูกฝังลงไปในจิตใจของคุณโดยการชี้แนะหรือสร้างสรรจิตใจด้วยตัวคุณเองแพทย์มักส่งผู้ป่วยไปพักผ่อนยังสถานที่ที่มีบรรยากาศใหม่ๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุขภาพเพราะการเปลี่ยนทัศนคติเป็นสิ่งจาเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวเจ็บป่วยฝังอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคน ความวิตกกังวลความกลัวความผิดหวังสามารถเป็นสาเหตุในการกระตุ้นให้มเมล็ดพันธุ์นี้งอกงามและเจริญเติบโตมากขึ้นอาการแสดงของความกลัวความเจ็บป่วยอาการของความกลัวนี้ได้แก่ 1. การเสนอแนะตัวเองติดนิสัยชอบใช้การเสนอแนะตัวเองในเชิงลบโดยการมองหาและคลุ้นคิดถึงอาการของโรคต่างๆอยากให้โรคภัยไข้เจ็บในจินตนาการเป็นจริง มีนิสัยชอบลองวิธีการรักษาที่คนอื่นแนะนำว่าดีชอบพูดคุยเกี่ยวกับการผ่าตัดอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆชอบทดลองการบำบัด ร, รักษาด้วยอาหารเสริมการออกกําลังกายคอร์สลดน้ำหนักโดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์ชอบลองวิธีการรักษาพื้นบ้านยาชุดและการรักษาของหมอเถื่อน 2. โรควิตกกังวลว่าตัวเองป่วยเป็นโรคโรคในจินตนาการมีนิสัยชอบพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและหมกมุ่นอยู่กับโรคที่คาดหวังว่าตัวเองจะเป็นไม่มียาตัวใดจะสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้เพราะมันมาจากความคิดเชิงลบจึงไม่มีสิ่งใดนอกจากความคิดเชิงบวกเท่านั้นที่จะรักษาโรคนี้ได้โรควิตกกังวล ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคสามารถสร้างความเสียหายได้มากพอๆกับโรคจริงๆเลยทีเดียว 3. การออกกำลังกายความกลัวเจ็บป่วยมักจะรบกวนการออกกำลังกายที่เหมาะสมดีอยู่แล้วและเป็นผลทําให้น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ 4. ความต้านทานโรคไม่ดี ความกลัวเจ็บป่วยจะลดภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาติซึ่งทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายความกลัวเจ็บป่วยมักสัมพันธ์กับความกลัวยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรควิตกกังวลว่าตัวเองเป็นโรคซึ่งมักจะกังวลเรื่องค่าแพทย์ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลคนประเภทนี้มักต้องใช้เงินมากเพราะต้องเตรียมรักษาโรคภัยไข้เจ็บพูดคุยเกี่ยวกับความตาย การออมเงินเพื่อสร้างสุสานและจัดงานศพห้าซัออยติดนิสัยชอบขอความเห็นอกเห็นใจเสแสแซงเจ็บป่วยเพื่อปกปิดความเกียดคร้านหรือเพื่อเป็นข้อแก้ตัวในความเฉยชาของตัวเองคนทั่วไปมักใช้อุบายนี้เพื่อเลี่ยงงาน6ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจติดนิสัยชอบใช้สุราหรือยาเสพติดเพื่อลดความเจ็บปวดแทนที่จะรักษาที่สาเหตุเจ ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วตัวเองก็กังวลเป็นทุกข์ตามเรื่องที่อ่านความกลัวพื้นฐานที่สกลัวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความอิจฉาริษยาและโรคประสาทอาการอิจฉาริษยาล้วนเกิดมาจากความกลัวการสูญเสียคนที่รักความกลัวนี้ทำให้เราเจ็บปวดที่สุดในบรรดาความกลัวพื้นฐานทั้งหบางทีมันยังสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าความกลัวอื่นๆอีกด้วยบทวิจารณ์จากการแนะนำความกลัวพื้นฐานทั้ง6นโปเลียนฮิวมักพยายามตั้งสมมติฐานว่าความกลัวเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้อย่างไรในหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งแรกฮิวได้แนะนำว่าความกลัวการสูญเสียคนรักนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ผู้ชายมีนิสัยชอบขโมยคู่ครองของเพื่อนบ้านและละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานกับผู้หญิงเมื่อไรก็ตามที่สามารถทําได้ทฤษฎีนี้ไม่ค่อยพิจารณาถึงประเด็นของผู้หญิงซึ่งก็กลัวการสูญเสียคนรักเหมือนกับผู้ชายอย่างไรก็ตามทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็กลัวการสูญเสียความรักไม่เพียงจากคู่ครองเท่านั้น แต่ยังจากสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดด้วยยังคงเป็นที่สงสัยว่าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเรารู้สึกอย่างไรเวลาสูญเสียคนรักไปจบบทวิจารณ์อาการแสดงของความกลัวสูญเสียคนรักอาการของความกลัวชนิดนี้คือหนึ่งอิจฉาริษยา มีนิสัยระแวงเ พ, เพื่อนและคนรักกล่าวหาว่าสามีหรือภรรยาของตัวเองนอกใจและไม่ซื่อสัตย์โดยปราศจากหลักฐาน 2. ชอบจับผิดมีนิสัยชอบจับผิดเพื่อนญาติพี่น้องหุ้นส่วนธุรกิจและคนรักด้วยเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆหรือบางทีไม่มีเหตุผลเลย 3. ชอบการพนันมีนิสัยชอบการพนันขโมยทุจริต ชอบเสียงโชคเพื่อหาเงินทองมาให้คนรักด้วยความเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่หาซื้อได้นิสัยใช้ใจ่ายเกินตัวสร้างหนี้สินเพื่อหาของมาให้คนรักเป็นการสร้างความประทับใจมักจะนอนไม่ค่อยหลับวิตกกังวลขาดความมุ่งมั่นไม่ค่อยมีความตั้งใจจริงขาดการควบคุมตัวเองขาดความไว้วางใจในตัวเองอารมณ์หงุดหงิดง่ายความกลัวพื้นฐานที่ห้า กลัวความแก่ชราต้นเหตุความกลัวนี้มีอยู่สองประการประการแรกคิดว่าอายุมากขึ้นอาจนำมาซึ่งความยากจนประการที่สองกังวลว่าจะมีเรื่องเลวร้ายรออยู่เมื่ออายุมากขึ้นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความกลัวแก่ชราสัมพันธ์กับแนวโน้มที่จะยากจนคน้นแค้นบ้านพักคนชราไม่ใช่เรื่องน่าพิสัย มันสร้างความรู้สึกอ้างวางขึ้นในจิตใจของทุกคนที่มีโอกาสต้องรับการส่งเคราะห์ในบั้นปลายแห่งชีวิตอีกสาเหตุหนึ่งของความกลัวนี้คือการที่คนเราอายุมากขึ้นย่อมมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นนอกจากนี้ความกลัวแก่ชราอาจเกี่ยวข้องกับความสามารถทางเพศที่ลดลงสาเหตุอื่นๆของความกลัวแก่ก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอิสรภาพและการพึ่งพาตัวเอง ไวยชารานำมาซึ่งการสูญเสียอิสราภาพแห่งร่างกายและเศรษฐกิจอาการของความกลัวแก่ชาราอาการของความกลัวชนิดนี้ที่พบได้บ่อยที่สุดคือหนึ่งขาดความกระตือรือร้นมีแนวโน้มทำอะไรช้าลงและเกิดปมด้อยในจิตใจเชื่อผิดๆว่าโอกาสจะหลุดลอยไปเพราะอายุมากขึ้นทุกทีไม่มีความคิ ด, ดเริ่มจินตนาการและเชื่อมั่นในตัวเองโดยเชื่อผิดๆ ว่าแก่เกินไปที่จะทำอะไรให้มีคุณภาพได้ 2. หมกมุ่นอยู่กับคำพูดบางคำติดนิสัยขออภัยกับตัวเองสำหรับความแก่ชราเพียงเพราะว่าตัวเองอายุ40สิหรือห้าสิปีแล้วแทนที่จะมองในมุมกลับและพึงพอใจในตัวเองที่ฉลาดรอบครอบและเข้าใจโลกมากขึ้น 3. แต่งกายและวางบุคลิกท่าทางไม่เหมาะสมพยายามทำตัวให้ดูเด็กกว่าวัยโดยการพยายามทำตัวและแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นความกลัวพื้นฐานที่หกกลัวตายสำหรับบางคนแล้วมันเป็นความกลัวที่โหดร้ายที่สุดในบรรดาความกลัวทั้งหมดเหตุผลนั้นชัดอยู่แล้วเนื่องจากสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายสาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด คนป่าเถื่อนจะกลัวตายน้อยกว่าคนที่มีอารยธรรมอาการของความกลัวตายอาการทั่วไปของความกลัวตายคือหนึ่งนิสัยย้ำคิดเกี่ยวกับความตายแทนที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเกิดเนื่องจากขาดจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือไม่มีงานทำความกลัวนี้พบบ่อยในคนสูงอายุแต่บางครั้งก็อาจพบได้ในคนหนุ่มสาววิธีการบาบัด ร, รักษาความกลัวตายที่ดีที่สุดก็คือ ปณิธานอันแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จร่วมกับการทาประโยชน์ให้ผู้อื่นคนที่มีงานยุ่งๆมักไม่ค่อยคิดถึงความตายคนที่ยุ่งอยู่กับงานมักพบว่าชีวิตเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเกินกว่าที่จะมากังวลเรื่องความตาย 2. บางครั้งความกลัวตายก็สัมพันธ์ใกล้ชิดกับความกลัวยากจนเนื่องจากความตายทาให้ผู้คนนั้น ้องทอดท้งทั้งคนรักให้เผชิญกับความยากจน 3. ในกรณีอื่นๆความกลัวตายมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยและขาดภูมิต้านทานโรคสสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความกลัวตายก็คือโรคภัยไข้เจ็บความยากจนไม่มีงานทำผิดหวังจากความรักวิกฤจลิตพยนะแห่งความวิตกกังวลและความคิดเชิงลบ ความวิตกกังวลเป็นสภาวะจิตใจที่มีพื้นฐานมาจากความกลัวมันคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องมันเปลี่ยนแปลงเราช้าๆและไม่รู้ตัวฝังรากลึกลงไปในจิตใจจนกระทั่งทำให้เราสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลทำลายความมั่นใจในตัวเองและความคิดเริ่รม ความวิตกกังวลเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวที่มีสาเหตุมาจากความไม่กล้าตัดสินใจดังนั้นมันจึงเป็นสภาวะจิตใจที่สามารถควบคุมได้ผู้มีจิตใจที่ไม่มั่นคงย่อมสิ้นหวังการไม่กล้าตัดสินใจทำให้จิตใจไม่มั่นคงคนส่วนใหญ่มักขาดความตั้งใจจริงที่จะตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ได้ตัดสินใจแล้ว เราจะไม่วิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่ได้ตัดสินใจแล้วเพื่อจะให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ครั้งหนึ่งผมได้สัมภาษณ์ชายคนหนึ่งที่กำลังถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าในอีกสองชั่วโมงข้างหน้านักโทษผู้นี้เป็นคนที่สงบที่สุดในจำนวนนักโทษประหารทั้งแดคนความสงบนิ่งของเขากระตุ้นให้ผมถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าจะต้องจากโลกนี้ไปในอีกไม่นาน เขายิ้มด้วยความมั่นใจและพูดว่าผมสบายดีลองคิดดูสิความยุ่งยากทั้งหมดของผมกำลังจะจบลงจะไม่มีอะไรทำให้ผมยุ่งยากได้อีกมันเป็นความยากลำบากในการหาอาหารและเสื้อผ้าอีกไม่ช้าผมจะไม่ต้องการมันอีกต่อไปผมรู้สึกโล่งใจเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องตายผมตัดสินใจที่จะยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้ว ขณะที่พูดเขากําลังกินอาหารมากมายปริมาณเท่ากับคนสามคนกินกินอาหารเต็มปากและมีความสุขกับการกินราวกับว่าไม่มีเคราะหกรรมรอเขาอยู่เลยการตัดสินใจทําให้ชายผู้นี้ยอมรับชะตากรรมของเขาการตัดสินใจยังช่วยป้องกันไม่ให้เราทุกข์ร้อนกับเรื่องไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกด้วยเพราะความไม่กล้าตัดสินใจนี่เองทําให้ความกลัวพื้นฐานทั้งห แปลเปลี่ยนเป็นสภาวะวิตกกงังวลจงปลดปล่อยตัวคุณเองจากความกลัวตายด้วยการตัดสินใจยอมรับความตายว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งเราหนีไม่พ้นขจัดความกลัวแก่ชราด้วยการตัดสินใจยอมรับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นพรอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราฉลาดขึ้นสามารถควบคุมและเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นจัดการกับความกลัวที่ต้องสูญเสียคนรัก ด้วยการตัดสินใจอยู่ต่อไปโดยปราศจากความรักถ้ามันจำเป็นกำจัดความกลัวถูกตำหนิติเตียนโดยการตัดสินใจไม่วิตกกังวลกับเรื่องที่คนอื่นคิดทำหรือพูดเอาชนะความกลัวเจ็บป่วยโดยการตัดสินใจที่จะลืมอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและปัดเปล่าความกลัวยากจนด้วยการตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อสะสมความมั่งคั่ง ด้วยความไม่วิตกกังวลกำจัดนิสัยชอบวิตกกังวลทุกรูปแบบด้วยการตัดสินใจว่าความวิตกกังวลไม่ได้ให้อะไรที่มีค่ากับชีวิตเราเลยด้วยการตัดสินใจเช่นนี้จะทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคงสงบเยือกเย็นและมีความคิดที่สุ ข, ขุมหนักแน่นซึ่งจะนำความสุขมาให้ถ้าจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความกลัวมันไม่เพียงแต่ทาลายโอกาส แห่งอัจฉริยภาพของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งต่อคลื่นแห่งการทำลายไปยังผู้คนที่เข้ามาติดต่อกับคุณและคุณก็ยังจะทำลายโอกาสของพวกเขาด้วยแม้แต่สุนัขหรือม้าก็ยังรู้เมื่อเวลาที่เจ้านายของมันขาดความกล้ามันจะจับคลื่นแห่งความหวาดกลัวนี้จากเจ้านายของมันและประพฤติตัวตามคลื่นแห่งความกลัวนี้ออกจากจิตใจของคนคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและส่งต่อได้เหมือนคลื่นเสียงที่ส่งจากสถานีไปยังเครื่องรับวิทยุคนที่พูดจาหรือมีความคิดที่ไม่สร้างสรรย่อมจะมีประสบการณ์ที่ได้รับผลจากการย้อนกลับในเชิงลบของคำพูดนั้นๆแม้แต่ความคิดที่ไม่สร้างสรรโดยปราศจากคาพูดก็จะมีผลย้อนกลับมาที่คุณเช่นกันพลังความคิดที่ไม่สร้างสรรซึ่งปล่อยออกมานั้น ทำให้เกิดผลย้อนกลับได้หลายรูปแบบประการแรกอาจสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ปล่อยความคิดที่ไม่สร้างสรรต้องได้รับความเสียหายจากการสูญเสียจินตนาการสร้างสรรของตัวเองไปประการที่สองอารมณ์ที่ไม่สร้างสรรจะทำให้บุคลิกภาพไม่ดีซึ่งจะแปรเปลี่ยนผู้คนให้เป็นปฏิปักิ์กับเขาประการที่สความเสียหายที่เกิดจากความคิดเชิงลบ ไม่เพียงแต่มีผลต่อคนอื่นเท่านั้นแต่ยังฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคนที่ปล่อยมันออกมาด้วยและมันจะกลายเป็นอุปนิสัยส่วนหนึ่งของเขาไปการทำธุรกิจในชีวิตจริงก็เพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จและเพื่อที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องมีจิตใจที่สงบนิ่งหาสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขข้อบ่งชี้แห่งความสาเร็จทั้งปวง เริ่มต้นมาจากพลังความคิดคุณสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้คุณมีพลังที่จะสร้างพลังความคิดใดก็ได้ที่ต้องการโดยเหตุผลนี้คุณควรรับผิดชอบโดยการใช้จิตใจไปในทางสร้างสารรค์คุณเป็นผู้บัญชาชะตาชีวิตของตัวคุณเองเช่นเดียวกับที่คุณมีพลังที่จะควบคุมความคิดของตัวเองคุณอาจจะชี้นาหรือแม้กระทั่ง ควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณเองทำชีวิตให้เป็นอย่างที่ตัวคุณต้องการหรือว่าคุณอาจจะเพิกเฉยไม่สนใจที่จะทำให้ชีวิตเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการและปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปตามกระแสแห่งสภาพการรอบตัวเหมือนอย่างเศษไม้ที่ล่องลอยไปมาในมหาสมุทรปฏิบัติการของปีศาจร้ายนอกเหนือจากความกลัวทั้งหกแล้ว ยังมีสิ่งชั่วร้ายอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องทุกยากมันก่ะตัวขึ้นมาจากความล้มเหลวและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วมันแนบเนียนจนเราไม่ทันรู้ตัวฟังรากลึกลงไปเรื่อยๆดุนแรงยิ่งกว่าความกลัวทั้งหกเราขอเรียกชื่อสิ่งชั่วร้ายนี้ว่าความพร้อมที่จะยอมรับอิทธิพลเชิงลบคนที่มั่งคั่งร่ำรวย จะปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบในขณะที่คนที่จมปลักอยู่กับความยากจนไม่เคยทําเช่นนี้เลยคนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใดก็ตามจะต้องเตรียมจิตใจของเขาให้ต้านทานต่ออิทธิพลนี้ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะสร้างความร่ํารวยคุณควรตรวจสอบตัวเองอย่างรอบคอบเพื่อประเมินว่าตัวคุณเองยอมรับอิทธิพลเชิงลบหรือไม่ ถ้าคุณไม่สนใจการวิเคราะห์ตัวเองก็หมายความว่าคุณได้สละสิทธิ์ที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งปณิธานไว้ขณะที่คุณอ่านคําถามต่อไปนี้จงทําการวิเคราะห์ตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองจงปฏิบัติราวกับว่าคุณกําลังค้นหาศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่คุณต้องจัดการกับความผิดพลาดที่ตัวเองก่อขึ้น เหมือนอย่างที่เผชิญกับศัตรูในชีวิตจริงคุณสามารถปกป้องตัวเองจากศัตรูในชีวิตจริงได้เนื่องจากมีกฎหมายตำรวจและศาลคอยจัดการให้แต่สำหรับสิ่งชั่วร้ายที่เจนี้ยากที่จะจัดการเพราะมันจะโจมตีโดยไม่รู้ตัวทั้งเวลาที่คุณหลับและตื่นยิ่งไปกว่านั้นเรายังมองไม่เห็นอาวุธของมันอีกด้วยเพราะมันเป็นสภาวะจิตใจล้วน อิทธิพลเชิงลบเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันมาในหลายรูปแบบที่ต่างกันบางครั้งมันเข้ามาในจิตใจผ่านคำพูดที่ปรารถนาดีของเพื่อนและญาติพี่น้องบางครั้งก็เข้ามาผ่านทางทัศนคติของตัวคุณเองมันมีอำนาจสังหารเราเหมือนยาพิษแม้ว่าความคิดอาจทำลายเราไม่ได้รวดเร็วนักก็ตามวิธีการปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบ ไม่ว่าจะเกิดจากตัวคุณเองหรือเป็นผลเชิงลบจากคนรอบตัวก็ตามการที่จะป้องกันตัวคุณเองจากอิทธิพลเชิงลบนั้นจงตรหนักไว้ว่าพลังแห่งความตั้งใจของคุณจะเป็นตัวต่อต้านคุณต้องใช้พลังแห่งความตั้งใจจริงอย่างต่อเนื่องจนกว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลเชิงลบที่เข้ามาในจิตใจได้เป็นผลสําเร็จ จงตระหนักว่าโดยธรรมชาติแล้วทั้งคุณและมนุษย์ทุกคนมีความเกียจคร้านเชื่อชาและพร้อมที่จะยอมรับคำชี้แนะให้ตัวเองอ่อนแอจงตระหนักว่าโดยธรรมชาติแล้วคุณพร้อมที่จะยอมรับความกลัวทั้งหและจะต้องสร้างนิสัยเพื่อต่อต้านความกลัวเหล่านี้จงตระหนักว่าอิทธิพลเชิงลบมีผลต่อคุณผ่านจิตใต้สานึกของตัวคุณเองและยากที่จะรู้ตัว จงปิดกั้นจิตใจของคุณจากใครก็ตามที่จะมาทำให้คุณซึมเศร้าหรือท้อแท้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นหยุดยั้งทุกสิ่งที่จะเข้ามาชักนําให้คุณรู้สึกไม่ดีและทำให้ตัวเองเจ็บปวดจงพยายามมองหากลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อคุณในการคิดและลงมือทำเพื่อตัวคุณเองขณะที่พวกเขากำลังพยายามช่วยคุณสมหวังก็อย่ามองว่าเป็นปัญหา ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าความอ่อนแอที่พบบ่อยที่สุดของคนเราก็คือความเคยชินที่จะเปิดใจรับอิทธิพลเชิงลบจากคนอื่นความอ่อนแอนี้สร้างความเสียหายได้มากกว่าอย่างอื่นก็เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันคำถามต่อไปนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณมองตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆคุณควรอ่านคำถามให้ครบแล้วหาวันที่มีเวลาว่าง อีกวันเพื่ออ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตอบตัวเองทีละคำถามด้วยการพูดออกมาดังๆพอที่คุณจะได้ยินเสียงตัวเองวิธีนี้จะทำให้ง่ายขึ้นที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองคำถามเพื่อวิเคราะห์ตัวเองคุณมักจะบ่นบ่อยๆว่ารู้สึกแย่ใช่หรือไม่ถ้าใช่อะไรเป็นสาเหตุคุณคอยจะผิดคนอื่น โดยเรื่องขัดใจเพียงเล็กๆน้อยๆใช่หรือไม่คุณมักทำงานผิดพลาดบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะอะไรคุณพูดส่อเสียดให้ผู้อื่นรำคาญใจหรือไม่คุณจงใจหลีกเลี่ยงที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใดคุณมีปัญหาอาหารไม่ย่อย ท้องอืดบ่อยๆใช่หรือไม่อะไรเป็นสาเหตุชีวิตของคุณดูไร้ความหมายและสิ้นหวังในอนาคตหรือไม่คุณชอบอาชีพที่ตัวเองทำอยู่หรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใดคุณรู้สึกสงสารตัวเองบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใด คุณอิจฉาคนที่เก่งกว่าคุณหรือไม่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่คิดเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวเมื่ออายุมากขึ้นคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือยิ่งสูญเสียมันไปคุณได้เรียนรู้บางสิ่งที่มีค่าจากการทำผิดพลาดใช่หรือไม่คุณยอมให้ญาติพี่น้องบางคน หรือคนที่คุณรู้จักทำให้คุณต้องกังวลใช่ไหมถ้าใช่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบางครั้งคุณตื่นเต้นกับชีวิตแต่บางเวลาก็ท้อแท้หมดกำลังใจใช่หรือไม่ใครเป็นคนที่สร้างแรงจูงใจให้คุณได้มากที่สุดและอะไรคือเหตุผลคุณอดทนต่ออิทธิพลเชิงลบที่ทำให้ท้อแท้ได้หรือไม่ คุณไม่ค่อยใส่ใจบุ ค, คลิกท่าทางของคุณเองใช่หรือไม่ถ้าใช่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมคุณเรียนรู้วิธีการเพิกเฉยต่อความยุ่งยากด้วยการทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้หรือไม่เวลาขอให้คนอื่นทําตามสิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นหรือไม่ มีสิ่งรบกวนใจที่ทำให้คุณรําคาญมากน้อยเพียงไรและทำไมคุณจึงยอมทนมันอยู่คุณใช้สุรายาเสพติดบุหรี่เพื่อคลายกังวลบ้างหรือไม่ถ้าใช่ทำไมไม่ลองใช้พลังแห่งความตั้งใจจริงแทนมีคนคอยกวนใจคุณอยู่หรือไม่ถ้ามีเป็นเพราะเหตุใด คุณมีเป้าหมายที่แน่นอนหรือไม่ถ้ามีคืออะไรและมีแผนการอะไรที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่คุณเป็นทุกข์กับความกลัวทั้งหกหรือไม่ถ้าใช่เป็นความกลัวประเภทใดคุณได้พัฒนาวิธีการปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบที่มาจากผู้อื่นหรือไม่ คุณใช้การเสนอแนะตัวเองเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่จิตใจบ้างหรือไม่สิ่งใดมีค่าต่อคุณมากที่สุดการได้ครอบครองทรัพย์สินหรือสิทธิพิเศษของศักยภาพแห่งการควบคุมความคิดของตัวเองคุณถูกคนอื่นชักจูงได้ง่าย ท, ทั้งทั้งที่ขัดกับการตัดสินใจของตัวเองหรือไม่ ทุกวันนี้คุณได้เพิ่มคุณค่าให้กับคลังความรู้หรือสภาวะจิตใจของคุณบ้างหรือไม่คุณได้เผชิญกับสภาวะการที่ไม่พึงประสงค์หรือพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบคุณได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและความล้มเหลวและพยายามหาประโยชน์จากมันหรือไม่หรือว่าคุณมีทัศนคติวันนี้ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ คุณสามารถจะระบุจุดอ่อนของตัวคุณเองที่ทำให้เกิดความเสียหายมาสักสามข้อได้หรือไม่และจะแก้ไขมันอย่างไรคุณให้กำลังใจคนอื่นที่กำลังกังวลด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือไม่คุณได้เลือกประสบการณ์บทเรียนในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยพัฒนาตัวเองบ้างหรือไม่ ตัวคุณเองมีอิทธิพลเชิงลบต่อคนอื่นบ้างหรือไม่นิสัยแบบใดของคนอื่นที่รบกวนคุณมากที่สุดคุณมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรือปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลต่อตัวคุณเองคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะสร้างสารร์สภาวะจิตใจที่จะทำให้คุณสามารถปกป้องตัวคุณเอง จากอิทธิพลเชิงลบหรือไม่อาชีพของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศรัทธาและความหวังหรือไม่คุณรู้ตัวไหมว่าตัวเองมีพลังแห่งจิตวิญญาณพอที่จะทำให้จิตใจเป็นอิสระจากความกลัวทุกรูปแบบ ศาสนาที่คุณนับถือช่วยให้จิตใจของคุณดีงามขึ้นหรือไม่ความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะแบ่งปันความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับผู้อื่นหรือไม่ถ้าใช่ทำไมถ้าคุณเชื่อว่านกชนิดเดียวกันเท่านั้นที่รวมกลุ่มกัน คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองโดยการศึกษาจากเพื่อนสนิทของคุณบ้างหรือไม่คุณเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดกับประสบการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขหรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าบางคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนจริงๆแล้วคือศัตรูเนื่องจากเขามีอิทธิพลเชิงลบต่อจิตใจคุณ คุณใช้หลักอะไรในการตัดสินว่าใครช่วยเหลือคุณและใครสร้างความเสียหายให้กับคุณเพื่อนสนิทของคุณมีอำนาจเหนือจิตใจคุณหรืออยู่ภายใต้อำนาจจิตใจของคุณคุณใช้เวลา24ชั่วโมงเพื่ออุทิศตัวให้กับเรื่องใดอาชีพของคุณการนอนหลับ การเล่นและพักผ่อนหย่อนใจสแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ปล่อยเวลาให้สูญไปเปล่าๆคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยเป็นคนอย่างไรให้กำลังใจคุณมากที่สุดตักเตือนคุณมากที่สุดทำให้คุณท้อถอยมากที่สุดอะไรทำให้คุณกังวลมากที่สุดทำไมคุณจึงยังทนมันอยู่ เมื่อคนอื่นให้คำแนะนำโดยคุณไม่ได้ร้องขอคุณยอมรับคำแนะนำนั้นโดยปราศจากข้อสงสัยหรือพยายามวิเคราะห์คาแนะนานั้นก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดคุณปรารถนาอะไรมากที่สุดคุณตั้งใจจริงที่จะได้มันมาหรือไม่คุณเต็มใจที่จะสละความต้องการอื่นๆเพื่อแลกกับมันหรือไม่ คุณได้อุทิศเวลาในแต่ละวันไปมากน้อยเพียงไรเพื่อให้ได้มันมาคุณเปลี่ยนใจบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณมักจะทำสิ่งที่ได้เริ่มต้นไว้จนสำเร็จใช่หรือไม่คุณมักจะรู้สึกประทับใจต่อธุรกิจอาชีพ ปริญญาหรือความร่ำรวยของคนอื่นใช่หรือไม่คุณมักจะคล้อยตามคนอื่นที่คิดหรือพูดเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าคุณชื่นชมผู้อื่นตรงฐานะทางสังคมหรือฐานะทางการเงิน ใครเป็นคนที่คุณเชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่และคุณนับถือเขาในเรื่องอะไรคุณอุทิศเวลามากน้อยแค่ไหนเพื่อศึกษาและพยายามตอบคำถามเหล่านี้คุณอาจต้องใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อวิเคราะห์และตอบคำถามทั้งหมดนี้ ถ้าคุณได้ตอบคำถามทั้งหมดนี้อย่างซื่อสัสตย์ต่อตัวเองคุณย่อมรู้จักตัวเองดีกว่าใครๆจงศึกษาคำถามเหล่านี้อย่างตั้งใจกลับมาทบทวนทุกๆสัปดาห์ติดต่อกันหลายๆเดือนแล้วคุณจะอจัศจรรย์ใจกับความรู้อันมีค่าที่เพิ่มขึ้นคุณจะได้ความรู้มาอย่างง่ายดายโดยการตอบคำถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณไม่แน่ใจว่าในการตอบคาถามบางข้อ จงหาที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนที่รู้จักคุณดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องยกยอคุณและสามารถมองเห็นตัวคุณผ่านมุมมองของเขาประสบการณ์นี้จะน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้โดยสิ้นเชิงสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้โดยสิ้นเชิงก็คือความคิดของคุณ น, นั่นเองนี่เป็นความคิดที่สาคัญที่สุด ในบรรดาข้อเท็จจริงทั้งหลายของมนุษย์มันเป็นธรรมชาติที่มาจากสวรรค์ความสามารถในการควบคุมความคิดนั้นอาจจะมีความหมายเดียวกันกับการที่คุณสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ถ้าคุณล้มเหลวที่จะควบคุมจิตใจตัวเองก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมสิ่งอื่นใดได้อีกเลยจิตใจของคุณเป็นสินทรัพย์แห่งจิตวิญ ญ, ญาณจงปกป้องมัน และดูแลสิ่งซึ่งสวรรค์ประทานมาให้นี้คุณได้รับพลังแห่งความตั้งใจจริงมาก็เพื่อจุดประสงค์นี้โชคไม่ดีนักที่ไม่มีความคุ้มครองทางกฎหมายต่อผู้ที่สร้างความเสียหายต่อจิตใจผู้อื่นด้วยการเสนอแนะเชิงลบเคยมีคนซึ่งคิดแง่ลบพยายามโน้มน้นาวโทมัสเอเอดิสันว่าไม่มีทางสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกเสียงและนามาเปิดซ้าใหม่ได้ พวกเขาพูดว่าเพียงเพราะว่าไม่มีใครทำเครื่องแบบนี้ได้มาก่อนเอดิสันไม่เชื่อเขารู้ว่าจิตใจสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่มันคิดและเชื่อความรู้นี้เป็นสิ่งที่ทำให้เอดิสันเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปคนที่คิดแง่ลบบอกกับ F. W. Woodworth ว่าเขาจะล่มจมแน่ๆถ้ายังพยายามจะเปิดร้านทุกอย่าง5เซนท์ทุกอย่าง10เซน์แต่เขาไม่เชื่อเช่นนั้น เขารู้ดีว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ภายใต้กรอบของเหตุผลตราบใดที่เขายังคงมีศรัทธาในแผนการเขาได้ขับไล่การเสนอแนะเชิงลบออกไปจากจิตใจจึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าหนึ่งรยล้านดอลลาร์โทมัสเซสได้พูดจายเยาะเย้ยเมื่อตอนที่เฮนรีฟอร์ดพยายามทดลองขับรถยนต์ที่เขาสร้างขึ้นอย่างหยาบๆไปตามถนนในเมืองดีทรอยบางคนพูดว่า ของพักนี้ไม่มีทางใช้การได้บางคนก็พูดว่าไม่มีใครยอมจ่ายเงินให้กับรถยนต์แบบนี้หรอกแต่ฟอร์ดกลับพูดว่าผมจะเชื่อมต่อโลกทั้งใบด้วยรถยนต์ที่วางใจได้แล้วเขาก็ทำได้จริงๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยโปรดจำข้อแตกต่างระหว่างเฮนรี่ฟอร์ดกับคนทางานส่วนใหญ่ไว้ว่าการที่ฟอร์ดมีจิตใจที่เขาสามารถควบคุมได้ คนอื่นก็มีจิตใจแต่เขาไม่ได้พยายามที่จะควบคุมมันการควบคุมจิตใจเป็นผลมาจากการมีระเบียบวินัยในตัวเองคุณจะเป็นคนควบคุมจิตใจหรือจะให้จิตใจเป็นฝ่ายควบคุมคุณไม่มีการพบกันครึ่งทางวิธีให้ผลในทางปฏิบัติมากที่สุดในการควบคุมจิตใจก็คือ การสร้างนิสัยที่จะทําตัวเองให้ยุ่งอยู่กับเป้าหมายที่แน่นอนโดยแผนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบจงศึกษาประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณจะพบว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่ควบคุมจิตใจตัวเองได้และชักนามันจนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ถ้าปราศจากการควบคุมนี้ความสำเร็จย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 55ข้อของคนชอบแก้ตัวถ้าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมักมีลักษณะเฉพาะตัวร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือเขารู้เหตุผลทุกอย่างของความล้มเหลวและมีข้อแก้ตัวที่เขาเชื่อว่าใครๆก็เถียงไม่ได้เพื่อที่จะอธิบายความไม่สําเร็จของตัวเองข้อแก้ตัวบางข้อดูฉลาดบางข้อมีข้อเท็จจริงพอฟังได้บ้างแต่ข้อแก้ตัวไม่สามารถใช้แทนเงินได้ โลกต้องการรู้เพียงอย่างเดียวว่าตกลงคุณประสบความสำเร็จหรือไม่นักวิเคราะห์บุคลิกภาพผู้หนึ่งได้รวบรวมรายการของข้อแก้ตัวที่พบบ่อยๆขณะที่คุณอ่านข้อแก้ตัวเหล่านี้จงสำรวจตัวเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบว่ามีข้อแก้ตัวกี่ข้อที่คุณใช้อยู่จงจำไว้ด้วยว่าด้วยปรัชญาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะทาให้ข้อแก้ตัวเหล่านี้ สูญสลายไปจนหมดถ้าหากฉันไม่มีภรรยาและครอบครัวถ้าหากมีใครช่วยสนับสนุนฉันถ้าฉันมีเงินถ้าหากฉันได้เรียนสูงสูงถ้าหากฉันได้งานทําถ้าหากฉันมีสุขภาพดีถ้าฉันมีเวลาถ้ามีโอกาสดีกว่านี้ถ้าหากคนอื่นเข้าใจในตัวฉัน ถ้าสภาพการรอบตัวฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าฉันสามารถเลือกเกิดได้ถ้าเพียงแต่ฉันไม่กลัวสิ่งที่เขาพูดถ้าหากฉันได้รับโอกาสบ้างถ้าตอนนี้ฉันมีโอกาสถ้าหากคนอื่นไม่มาตัดสินใจให้ฉันถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรมาขัดจังหวะฉันถ้าหากฉันยังหนุ่มสาวกว่านี้แล้วก็ ถ้าเพียงแต่ฉันได้ทำสิ่งที่ฉันอยากทำถ้าเพียงแต่ฉันเกิดมารวยถ้าเพียงแต่ฉันได้เจอคนเก่งๆถ้าหากฉันมีพรสวรรค์เหมือนอย่างที่บางคนมีถ้าเพียงแต่ฉันกล้ายืนยันสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเพียงแต่ตอนนั้นฉันเฉวยโอกาสไว้ถ้าหากไม่มีคนมาทำให้ฉันกังวล ถ้าหากฉันไม่ต้องดูแลบ้านและลูกๆถ้าหากฉันได้เก็บออมเงินไว้ถ้าหากเจ้านายเอาใจฉันบ้างถ้าเพียงแต่มีใครบางคนมาช่วยฉันถ้าหากครอบครัวเข้าใจฉันถ้าหากฉันได้อยู่เมืองใหญ่ๆถ้าหากฉันได้เริ่มลงมือถ้าหากฉันเป็นอิสระถ้าเพียงแต่ฉันมีบุคลิกภาพเหมือนบางคนถ้าหากฉันไม่อ้วน ถ้าหากมีคนรู้ความสามารถที่แท้จริงของฉันถ้าฉันสามารถได้โอกาสถ้าเพียงแต่ฉันไม่มีหนี้ถ้าหากฉันไม่เคยล้มเหลวมาก่อนถ้าเพียงแต่ฉันรู้วิธีถ้าทุกคนไม่มาขวางฉันถ้าฉันไม่มีเรื่องต้องห่วงต้องกังวลมากมายแบบนี้ถ้าหากฉันได้แต่งงานกับคนที่ใช่ถ้าหากคนอื่นๆไม่ง้อจนเกินไป ถ้าเพียงแต่ครอบครัวของฉันไม่ฟุง่งเฟือยจนเกินไปถ้าเพียงแต่ฉันมั่นใจในตัวเองถ้าหากโชคเข้าข้างฉันถ้าหากฉันดวงดีถ้าหากสัจธรรมที่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนั้นไม่ได้เป็นจริงถ้าเพียงแต่ฉันไม่ต้องทำงานหนักเกินไปถ้าหากฉันไม่สูญเสียเงินก้อนนั้นไป ถ้าฉันไม่ต้องมาอยู่กับเพื่อนบ้านแบบนี้ถ้าเพียงแต่ฉันไม่มีอดีตถ้าเพียงแต่ฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าหากคนอื่นยอมฟังฉันบ้างถ้าและนี่คือที่สุดของที่สุดฉันมีความกล้าพอที่จะมองตัวเองตามสภาพแห่งความเป็นจริงฉันพบว่าตัวเองได้ทำอะไรผิดไปแล้วฉันก็รีบแก้ไขฉันได้เรียนรู้แล้วว่า ฉันได้ทำบางสิ่งผิดพลาดไปมิเช่นนั้นป่านนี้ฉันก็คงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการไปแล้วฉันตระหนักแล้วว่ามีอะไรบางอย่างในตัวฉันที่ผิดพลาดไปอย่างไรก็ดีฉันจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและใช้เวลากับการแก้ตัวให้น้อยลงการสร้างข้อแก้ตัวเพื่ออธิบายความล้มเหลวมีมานานแล้ว นิสัยนี้มีมานานพอๆกับมนุษยชาติและมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จทำไมคนเราจึงติดการแก้ตัวคำตอบชัดเจนพวกเขาปกป้องข้อแก้ตัวของตัวเองก็เพราะว่าเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาข้อแก้ตัวของคุณคือผลผลิตแห่งจินตนาการของตัวคุณเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะปกป้องสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองการสร้างข้อแก้ตัวนั้น ฝังรากลึกลงไปในนิสัยของเราเป็นนิสัยที่แก้ได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันช่วยเราอธิบายเหตุผลเพื่อแก้ตัวในสิ่งที่เราทำลงไปเพโตมีสิ่งนี้อยู่ในใจเมื่อเขาเคยพูดว่าชัยชนะครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตัวเองการพ่ายแพ้ตัวเองเป็นสิ่งที่น่าอายและเลวร้ายเหนือสิ่งอื่นใด นักปรัชญาอีกคนหนึ่งมีความคิดเหมือนกันเขากล่าวว่าฉันประหลาดใจมากเมื่อค้นพบว่าสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดเท่าที่ฉันเห็นในตัวผู้อื่นแท้ที่จริงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวฉันนั่นเองเออรเบิร์ธฮับบาร์ดนักปรัชญาผู้แต่งผู้จัดพิมพ์นิตยสารเดอะฟลาผู้ก่อตั้งรอยคอฟเตอร์สอาร์ติสโคลได้กล่าวไว้ว่า มันเป็นเรื่องลึกลับสำหรับผมว่าทำไมคนเราจึงใช้เวลามากมายเหลือเกินในการหลอกตัวเองด้วยการสร้างข้อแก้ตัวเพื่อที่จะปกปิดความอ่อนแอของตัวเองถ้าเราปฏิบัติตัวต่างไปจากเดิมโดยใช้เวลาที่เสียไปนี้เพื่อการบำบัดรักษาความอ่อนแอในตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อแก้ตัวใดๆอีกต่อไปก่อนจะจากกันผมขอเตือนคุณว่าชีวิต เหมือนกระดานหมากรุกและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของคุณคือเวลาถ้าคุณลังเลในการเดินหมากหรือเพิกเฉยที่จะเดินให้ทันการหมากของคุณจะถูกเวลากินไปคุณกําลังเล่นต่อสู้กับคู่แข่งที่จะไม่อดทนรอต่อความไม่กล้าตัดสินใจก่อนหน้านี้คุณอาจมีข้ออ้างที่มีเหตุผลสําหรับการที่คุณจะไม่สามารถผลักดันชีวิตตัวเองเพื่อควยคว้าสิ่งที่ต้องการ แต่ตอนนี้ข้อแก้ตัวนั้นหมดไปแล้วเพราะคุณได้ครอบครองกุญแจสาคัญที่จะไขประตูไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วกุญแจสาคัญนี้จับต้องไม่ได้แต่ทรงพลังอำนาจมันเป็นอภิสิทธิ์ในการสร้างสารรค์ปณิธานอันแรงกล้าขึ้นในใจเพื่อความร่ำรวยไม่มีบทลงโทษสาหรับการไม่ยอมใช้กุญแจนี้แต่มีสิ่งที่คุณต้องจ่ายคืนหากไม่ยอมใช้มัน สิ่งนั้นคือความล้มเหลวมีรางวัลจำนวนมหาศาล ร, รออยู่หากคุณนำกุญแจไปใช้คุณจะพึงพอใจที่สามารถเอาชนะตัวเองและบีบบังคับให้ชะตาชีวิตจ่ายสิ่งที่เราร้องขอได้รางวัล น, นั้นคุ้มค่ากับความพยายามของคุณคุณพร้อมจะเริ่มต้นและมั่นใจหรือยังคำกล่าวอมาตะาของอีเมอร์สันหากเราสัมพันธ์กัน เราคงจะได้พบกันอีกเพื่อเป็นการจบหนังสือเล่มนี้ผมขอยืมความคิดของเขาและพูดว่าหากเรามีความสัมพันธ์กันผ่านหน้ากระดาษหนังสือนี้เราคงจะได้พบกันอีกจงจำไว้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้ของคุณไม่สามารถวัดได้จากสิ่งที่คุณมีแต่วัดได้จากสิ่งที่คุณเป็น